ทั้งของจริงทั้งของปลมคือกิเลสมนปอมทั้งหมดมันแทกมันแซงมันเครือบมันแฝงนงใจเป็นของจริงกระยกปของปลอมมันตามมาถ้ามันมีทำเป็นเครื่องแยกเครื่องแยกเครื่องสอดจองที่ขายแล้วไม่มีทางสันโลกนี่จะหาทางออกได้นะพระเจ้ารณ์ยิ่งเห็นความอัจฉรย์ของพระพุทธเจ้า โอ้โหโอ้โหขนาดนั้นนะพระองค์เอนเค่าทรงจะกเกี่ยวตากายยังพระองค์เดียวไม่มีใครเป็นครูบาอาจารย์สอนเลยเาสามารถทะลุไปได้อถ้าเป็นหินก็ไม่ทราบว่าหนาขนาดไหนแวกขึ้นมาในช่องหินนั่นนานโผล่ตัวพ้นขึ้นมาได้ อยู่ที่มันอรกิกรรมโห อ, อยากจริงๆนะว่าผู้มีปนิสัยจึงเป็นบุคคลที่มีวาสนาอยู่มากมีความสงรักภักดีมีความเชื่อกวามสัยในธรรมแสดงว่าผู้นั้นมีวาสนา พอที่จะมองเห็นทางก้าวไปข้างหน้าได้เป็ผู้ไม่เชื่ออาจเชื่อทำไม่เชื่อศาสนาเลยนี่แหมเป็นผู้ที่มืดมิดไปจ้าวอย่างโลกันตันและโลกกันนะเราได้อามาเทียบมาเคียงแล้วแสดงว่าอาภาัพมากนไม่มีอะไรจะเทียบว่างั้นถึง พผู้ผู้มีความเชื่อคอ น, นสร้างนี่คือผู้มีหวังผู้นี้มีหวังแม้แต่ยังไม่พ้นทุกข์ก็ความหวังนี้ไม่ไเป็นโมฆะผู้มีความเชื่ออาจเชื่อธรรมมีความเลื่อนไขในธรรมคือผู้มีที่ยึดมีทีกก่เกาะมีทางเดินสรลุดค้อนกระได้ในวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยแม้แต่ช้าหรือเร็วก็ตา่างก็อาศัยการ ก้าวเดินด้วยความเพื่อความมันน่นใจคมไม่เชื่อจับพิริยของตนโดยใครเดียวแย่างนี้เอกจริงๆส่วนอัตฐวัชังเราเขาคิดเป็นในบางขณะทำให้อ่อนใจในการแนะนำสั่งสอนมันก็ว่า ไปสอนหัวต่อมันไม่รับทราบเลยมันกิเลมัหนามันถึงมันไม่ลืมจนจะเริ่มต้นปฏิบัติมาเริ่มแรกใหมจนปัจจุบันนี้มันไม่ได้ลืมเลยเพราะมันเป็นใจจะทำจะเกี่ยวกับการกันไหนกิเลสมัน มีกำลังมากมันฉุดมันลากมันตกมันปีเรามันถีบมันแตะผู้นึง่ไยนะลม้มลุกคุกครานจนตั้งตัวไม่ได้แต่พอพอลุกได้ก็สู้กันมันเอาหงายลงหงายลงอยู่เรามีกำลังมากธรรมชาติอันนี้นะไม่เห็นดีเห็นชอบอะไรต้องเห็นประดา ม, มันทั้งนั้นนี่สิ คิดขนาดไหนไหมก่ก็เห็นดีเห็นชอบประดา ม, มานดนันเช่นอย่างไปฆ่าเขาอย่างนี้นะ่ะดูที่มันเป็นของดีหรือฆ่าเขาแต่เขาจะฆ่าเราเรายังไม่ชอบใจเฮตุใดเราไปชอบใจฆ่าเขานั่นนะอารมมันจะกล่อมตรงไหนแล้วต้องเไ ป, ไปมม็นประดามันกล่อมของมันถึงละเอียดมากสุกที่ฟังแล้วไม่มีเบื่อ เป็นตายขี่กลับอีกันก็ไม่มีเบื่อเพลงเก่านั้นแหละไม่ต้หาเพลงใหม่แปงเพลงใหม่มาหลอกมนุษย์ใครจะโง่ยิ่งกว่ามนุษย์วะเอาเพลงเก่าๆมาหลอกมันก็ตื่นอยู่ทั้งวันทั้งคืนตื่นแต่ตามคล้อยแต่ตามเพิ่มเพิ่มลงไหลายแต่ตามใครจะพูดถึงว่าใครจะโง่ใครจะโง่ยิ่งกว่ามนุษย์วะวางงั้นเลย เรเทียบของทำอันนี้แล้วกับที่เละประเภทศเ่านี้ทุกประเทศทำไมมีอะไรเป็นเครื่องเทียบกันเป็นคู่แข่งกันก็ไม่รู้มันน่มนความละเอียดแหลมคมของทำความอ่อนอียงของทำความวิเศษของทำกับความอ่อนเอียงของที่เละความพิเศษของทิ่เละนั่นมันก็อยู่คนละข้าวฟ้าดินดินหนักที่นี่มนไม่เห็นได้ไหง เมื่อมีคู่แข่งกันแล้วมันก็เห็นนะใช่ไหมสิอันไหนดีอันไหนไม่ดีมันมีคู่แข่งมันต้องมีอันหนึ่งแพ้หนึ่งชนะเส ม, มอกันก็เส ม, มอเ พ, พื่อแพ้เพื่อชนะอย่างนี้แหละถ้าลง็นคู่แล้วอันเดียวเอโกทําโมทั้งนั้นไม่มีคู่แข่งไม่เหมือนอะไรเนี่ยเอาเปนดีนะ ควายากความอั ย, ยาเขาจะเป็นเรื่องของธรรมคายากความลบากมันให้ทราบประจักษ์ใจเกี่ยวมอนนั้นคือเรื่องพเดทั้งหมดมาหลอกมาหลอกการต่อสู้กับพ่เดทจนชุกเฉียวนั่นแหละคือธรรมการเพิ่มลงไหลก็เพไม่ใช่ธรรมเป็นเรื่องดิดทั้งหมด ใครจะมาวันไหนวันไหนอีกผมจำแม่นะวันนี้กป็นปลายคณะหนึ่งแล้วยิ่งหายยิ่แน่นนะจนหายจะห้ามแล้วก็มีมากมนกเชื่องนี้กำลังมันแน่นนับบอกนแต่พันเดินอยู่กันยังไงมันต้องจะเข้าสามสบแล้วนี่ อยู่กันยังไงกันมืนอมากขึ้นมากขึ้นเดีย๋ยจะเละๆละลายไปนะผู้มาดูใหม่ให้ดูผู้อยู่เก่าอย่าให้หนักใจซึ่งกันแล้กันถึงได้อยู่ในวิสัยของเราที่จะทําได้แล้วมาศึกษาให้ดูให้ดีตาให้ดูหูให้ฟังใจให้คิดให้ถือเป็นความจําเป็นเหมือนกันหมด ให้ถือเป็นจิตของเราทาระของเราเพราะเรามาบำเพ็ญหรือว่าคนนั้นทา แ, แล้วเราผ่านเราไปได้นั่นเป็นความเห็นผิดไม่ใช่เป็นความเห็นถูกมันเป็นทางธรรมเรื่องวิเลศ น, นหลมันเห็นแก่ตัวม า, ามาักขมากขมันมากเรื่อ ย, เอ ย, เอยๆเท่าๆนะผมผู้ปกครององจะแตกนะเพราะผมเคยผ่านมาแล้ว อย่างก็อยู่กับหมู่เพื่อนมากๆเคยพูดให้ฟังไม่รู้กี่ครั้งกี่คนแล้วหนักมากเสีเดียวโอเคครูบาอาจารย์ได้รับความสะดวกสบายเราก็เป็นเฉียงรองรับไปเรื่อยมันก็ไม่พ้นหนักดูอาการน้องพ่อม่ครูบาอาจารย์ก็รู้ถ้าเราออกจากวัดไปนี่มันก็พูดถึงไม่มีสมัยนานมั น, าน นานๆ ม, มีหลายขั้นหตอนนามาคุยธรรม้ฟั ง, ง น, นี่มันพูดไปหลายแเฮ้ยนามาแล้วไเชื่อที่ไหนน ะ, ะคงคงจะเห็นม่าแปลกหูแปลกตาเนี่ะพอเราเก้าแต่วัดไปแล้วมันจะเพ่งเพ่นปัน่นพลาดใวาหูของตาท่านเลนแหละเวลาอยู่ที่นันเป็นอีกอย่างนึงตามันจดมันจ้องทุกสิ่งทุกอย่างวควบคุม สงบเรียบร้อยในวงวัดนั้นแต่ก็ดีอย่างหนึง่งถ้าเน้นไม่มีองค์ใดมาทะลึงผมได้ทะลึงได้ไงเราไม่ได้ทำให้ทะลึงเรากิงจังทุกอย่างเราปฏิบัติเพื่อทำไปแท่ไม่ได้เพื่อโลกรม ไรมีมาเราเป็นคนพู้จัดท่านสั่งเดียวนะเอาธามาดูนะไหนขาดเกอะไรธาหาดูาดูจัดทให้นะเนี่ยท่านพูดตนนั้นท่านก็ปล่อยแล้วเราเป็นภาระดูแลทุกสิ่งทุย่พระหนึ่งเราไม่เคยสนใจแล้วเอาใช้พสามผลตอนนั้นกระจายมาสี่ก็พ้าอนะ่ำน้ำ มันหนักไปไหนแล้วก็ประการหนึ่งเราก็ไม่ชอบพลุงพลังมาชอบอย่างนั้นการดูการกินง่ายจริงเราเราแค่คุยการดูการกินการหลับการนอนง่ายมากมามาพลุนพลังได้เลยเหรอกินกินยังไงได้ พอจิตใจมันมุ่งอยู่ทำมันม่ได้มามุ่งอยู่กับอาหารอาหารกระเจงจังไม่เคยไม่นสนใจกินมุ่งอยู่กับทำเมื่อมุ่งกับทำไปเป็นทําเป็นเรื่องใหญ่แล้วเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยไปหมดกินแต่ข้าวเปล่ามันก็สบายไปมันไม่เป็นอร่อยเพราะรหายอย่างนั้นเนี่ยพวกน้ำเพลนเป็ยังพูดย้อนหลังหนึ่งนะ ท่านจำได้ผมดืมไปแล้วนะท่านยังจำได้โอ้ยังเกิดทิศยังเกิดท่นอาจารย์พาไปเทีย่ยวทั้งนุ่นทางอำเภอที่จะพุ่ ง, งลงมาจากภูเขาที่จะไปห้วยทรายโอ้ที่จะที่จะใช่บ้านอันบ้านนองขือที่ไปบ้านนองขึน้นะลงมาจากเขามาผ่านถึงวัดล่างเขาเหรอวัดป่ า, เ, า, าเป็นวัดล่าง มาอันนี้แหละผักที่ว่ามื้อเช้านี่นะผักอะไรที่ชั้นกับแ ม, ามาด่ดีๆนะเขาเรียกผักอะไรโหระพาละแพอะไร <c oughs> อยู่บนเขาแล้วก็กินพอแล้วนะลงมันอีกมันยังมีเพราะว่าตรงนั้นตรงที่วัดล่างนะั้นมันมันมีน้ําทับน้ำำําคํามันก็เกิดอย่ น, นอีกก็มน่ากินมันอีกแหละวัดกับวัดล่างเคียงๆไม่มีอะไรเลย <c oughs> ดูอะไรก็ดูไม่ได้เราก็มาอาศัยนอนอยมั น, น ลงมาจากภูเขาน้ำก็เอาบาดไปตักเอาไม่มีอะไรตักนี่เอาบาดไปตักน้าเอาเพลงจำได้หมดเนะผมจาไม่ได้ออืเคยทุกเคยลําบากกินก็ บ, บากมันไม่สนใจกับอะไรเพราะเราตั้งใจหา ย, ยานั้นหาแต่อัดทำแตนน่ไม่หากินเนี่ยงั้ น, นข้าวพอมันพอก็มี ถึงเรื่องว่าเราเคยอดเคยอิ่มมาแล้วมันไปเป็นอารมณ์อะไรเคยอดเคยอิ่มมาแล้วยังกินอยู่นี่มันไม่อิ่มมันกินอย่นี้มันยังจะตายจะตายอยู่พี่แน่ถ้าจะถ้าจะตอบกันนะแต่ว่าไม่เคยไปเป็นอารมณ์กินข้าวเปล่าเดินนุคมตัวปลิวไปเลยนั่งนิ่งเหมือนหัวต่อมันไม่มงงไม่มงงนุกรมเราจริง คืนเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเนี่ยมองเข้าใจทํางานตุบตับ ต, ตุบตับเวลาเริ่มภาวนาที่แรกก็ได้ยินนะมันสังัดขนาดนั้นนะมองเข้าใจทํางานนี่ย ต, ตุบ ต, ตับตุบตับตุบตับเหมือเขาตําข้าวนะข้าก็เดื่อมตําข้าว ต, ตุบ ต, ตุบพอพิจารณาเป็นไงเคลื่อนไปเคลืคน่นก็ลืมหมดแล้วองมองเข้าใจทํางานนี่ที่มีความสงบของใจความมันก็แน่วของมัน จึงเป็นเหมือนไม่มีอะไรเหมือนแล้วไม่มีอะไรก็ในขณะเดียวกันเหมือนกับมีแต่ความรู้นี่ครอบโลกกระแทกอยู่แหละมันก็แปลกนะคือมันเด่นความรู้นี้มันเด่นอยู่ก็เพ้อนอไม่คิดไว่ร่ำไม่ละมีแต่ความเพียรทั้งนั้นก็เห็นอะที่เห็นไัยก็ดูไผ่อยู่ตลอดเวลาถ้าไม่เห็นไผ่ดูโทษเพราะมันมีแต่ตัวโทษเต็มอยู่ในหัวใจมีแต่โทษเต็มหัวใจ นั่ก็ดูโทษเลยสิดูโทษเพื่อจะเห็นคุณไปนั้นนานมากพ่อแม่ครูอาจารย์นั่ะพอมาถึงพ่ามาพูดให้ฟังเลยแล้วท่านพูดเรื่องอะไรก็ตามแล้วพ่าจะต้องมาพูดให้ฟังท่านอาจารย์พูดพอแม่ครูอาจารย์พูดถึงท่านอาจารย์อย่างนั้นอย่างนั้นนั่นลอยว่าโม้หลยพ่านเน้นมากนี่บาทีถึงสี่สิบก็มี โอ้โหเราจะตายนะเดินดัน่งดั่งและเก ะ, ะกากระมีกี้เอากี่เอาเลยผมกี่นะอันที่ไม่หนักได้ไงเพื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านอยู่พระสุขสบายเพราะพวกเราตั้งนานมาเองนี่ทาไมาจากขันตีนิมนตม์มาเองใช่ไหมทำให้ท่านหนักใจอะไรนัน้งนาในสิ่งที่ไม่ควรจะให้หนักใจทําไมจึงมาเป็นเรือขวางท่าอยู่ได้วะท่านที่ ดูแหลกเราจะ ต, ตายนนั้นน่ะมันเป็นบทเรียนเวลาหมู่เพื่อนมาอยู่มากๆผู้หนักจะหนักนะผู้เบาสบายจะ ส, สบายนะผู้ไม่มองเห็นหัวใจใครสักบจะมาอยู่เฉยๆมันจะทําให้หนักหมู่เพื่อนผู้ที่หนักหนักจะแทบล้มแทบตายอันนี้หละ อ, อันหนึ่งที่มันกดกันมันถ่วงกันมันถ่วงตรงนี้นะให้จําไว้ทุกหัวใจนะ มาอยู่ที่นี่อย่ามาทำเ ล, เล่นไม่ได้ถ้าเรานอกเข้ามาเพื่อทำํำเราต้องดูทำคิดด้วยเป็นธรรมหูตามีให้ดูเป็นอัดเป็นธรรมเพราะฉะนั้นอย่าให้เป็นแบบีิเลยถ้าเป็นแบบีิเลยเรต้องขวางกันจนได้แหละ mm. เคยผ่านมาแล้วมันเข็ด mm. ผ ม, มอ่ะ mm. น, นี่ก่อนมองเห็นหัวใจแล้วตีตะเกียรตะกายกันบึกเบืนแบกหามกันอยู่นี่แต่ดี ทางเราเองอยู่ไหนปูนกงแหลมันจะคุยฟื้นอยู่ไหนไมันสบายหมดเลยไม่หวังพึ่งอะไรสักอย่างเดียวในโลกว่าอะไรแม้แต่ขันนี่ก็ไม่เคยหวังพึ่งมันก็เหมือนกับท่อนไม้ท่อนปูนเช่นเดียวกับข้างนอกนั่นเองอยู่นี่ด้วยกันนี่ก็ดีนั่นก็เหมือนเครื่องมืออันหนึ่งเหมือนเราจับยกค้อนตะปูหรือไม้มาตีอย่างเนี้จับยกขึ้นมือเคลื่อนไหวไปมานี่มันก็เหมือนกับค้อนตะปูนั่นเนี่ยข้าก้าวไปก้าวม า, าก็าาาเหมือนเราแบบฟืนแบบแบบอะไรไปนั่านั้น เวลามันแกะไม่ออกหซี่มันเป็นตัวของเราทั้งหมดนี่อะไรๆเป็นเราหมดขี้่ในทอมก็ว่าเป็นเราเม้นจะตายมันยังว่าเป็นเราเนอะอย่ามาว่าแต่อาวัยวะส่วนเหล่านี้เลยตอตแผลมันออกหมดไม่ทำมีอะไรเหลือมันไปเกาะอยู่ที่ไหนไม่มีเกาะเลยต่างอันต่างจริงแล้วมันก็รู้ได้ชั่ไหนอซี่ทีนี้อ้าวัยวาทุกส่วนมันก็คิดอะไรกับท่อนไม้ต่อนพืนนั้นไหมมันไม่รู้อะไรกับเรานี่มันเป็นเครื่องมือของเราเฉยนี่ ตาก็เห็นมันออกมาจากใจมัน่นเหมือนกับไฟฉายส่องมานุ่นตาเราเป็นผู้เห็นเคื่องกระจายเสียงฟั ง, งหูเราเป็นผู้ฟังหูก็มาจากใจไปอีกไงเครื่องมือก็เป็นอย่างนั้นแหะดูมันชาติหนึสนุกดูทำไมมีอะไรมากรีดมาขวางแล้วมันสนุกดูสนุกฟังสนุกคิดอ่านใจจอมเป็นอิสระทั้งหมดที่เป็นอิสระไม่ได้เพราะกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นมันกรีดมันขวางมันฟาดมันเหวี่ยง ก็ดิ้กไปทางไหนถูกมันกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลามันไม่น่าโมโหได้อย่างไงโมโหแบบนี้มันเป็นธรรมนี่ไม่ได้เป็นกิเลสนี่โมโหจะข้ากิเลสนเป็นธรรมโมโหให้ธรรมนั่นพี่มันเป็นกิเลสรู้ไปพอถึงวันของมันหมดกาลังของมันแล้วมันก็แต่กระจายลงไปที่เดิมรู้กันสมหมดทุกอย่างปัจจุบันเนี่ยรู้มันอยู่อย่างนั้น ตัวเครื่องมืออาศัยกันไปนันมันได้เข้าคลองแล้วทาไงอืมดินกับน้ำก็ลงกับไฟเท่านั้นมีอะไรอยู่นี้ใจไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟนี่พอพูดอย่างนี้ก็ได้รู้ถึงธรรมวิจารณ์พูดแต่ก่อนเราเรียนมาทำเอง็งมันมีธรรมวิจารณ์เนี่ยเป็นหลักวิชา เน่อยอะไรที่ท่านกล่าวไว้ว่าดูก่อนไม่ดูทั้งหลายนิพพานมีอยู่ออัตนาณิพพานมีอยู่อ้างมาอาจอัตนาแปลว่าเครื่องต่อมีอยู่แต่ไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ําไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่อากาศไ ม, ไม่ใช่วัตถุต่างๆงมาเราก็อ่านไปฟังไปเพื่อสอบไปนั่นสอบเอาคะแนนว่าได้ว่าตกหรือว่าห่าไป สอบได้โอ้ยดีใจมาได้ในลมได้แลกมันก็ดีใจสอบตกเสียใจจนจะตัวสั่นจนจ ะ, จะล้มทั้งยืนมนะันมันบ้าจริงจริงพิจารณาดูแล้มั น, อนสอบตกันะเหมือนกับตกเหตวตกบ่อเลยนะสอบได้เหมือนจะเหาะจะบินมันบ้าทั้งขึ้นทั้งหล่อมันพะจา่านาด มันกาวถึงว่าไอ้ตันธิลพานมีอยู่แต่ไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่อากาศกลางหาวอะไรทั้งกว่าไปแล้วบมเวลามาปฏิบัติรู่เลยโอ้โหโอ๋อ อ, ออย่างนี้เองแหน่ท่านพูดไว้พุกหมดว่างเลหรือไม่ใช่นั้นจริง หิบอะไระเนะเนะไอ้ปูป่ทาไมเนอะมันหยอกกันหรอไ อ, อ้ปุ๋ยหรอมันเคยกยกันหมนอะปุ๋ยมันเคยกกันไหมมันหยอกเยเลยถ้าการให้ตีตัวเล็กเลยนะอย่าไปตีตัวใหญ่นะถ้าการให้เอาตัวเล็กเลยตัว ยังไงก็ต้องยกความผิดให้ตัวเล็กเลยนะให้มันเ็จตัวนี้มันจะง่ายอ่ะปุ้ยปู่ไม่รู้จักไม้จากแซ่ล่ะคูแล้วมันก็ไม่รู้เพราะไม่เคยตีมันไม่มีใครตีมันก็เลยไม่รู้ไอ้ไอ้ปุ้ยถูกไม่เดียวบ่อยไม่รู้ไอ้นี่พี่นี้หมอบเลยนะปุ้ยย้ายมันลังแกมันโตขึ้นมามันอัดลังแกได้ตอนนั้นแฉลงไป อยาให้มันลังแกเป็นขาดทำมันทั้มืกมัหยอกมันหนักมือแบบให้ตีมันได้พราะมันตัวนี้จะใหญ่ข้ไปเรื่อยๆตัวนั้นแก่ลงไปจนไปลังแกตัวนั้นนะกัดตัวนั้นเอาให้เจ็บเกวมันเข็งง่ายๆเราไปกุฏิมันก็ตามไปสมไปแล้วกลับมาแย่นี้มันไม่ค่อยกัดหรอกมันวิ่งชนไปเลย เพราะมันมันใหญ่แล้วนี่ยมันแข็งแรงมากนะเห็ยินชนแล้วปังเลยหรอกัดมันก็ไม่กัดเพราะมันกัดก็บาบๆมันก็เจ็บหนึ่งมันไล่สัตว์ไล่แล้วเนี่ยเห็นดุเขี้ยนเลยอย่ามันไปแตะไปใต่มันรุ่ง่ายๆอ่ะเพราะมันรู้แล้วงั้นแต่สัตว์ยิ่งเป็นพันมันก็ไม่สนใจอ่ะกว่าเลี้ยงใส่กันเอาไว้ไอ้โปนมันไม่ฟังใครแล้วนี่ย นั่งเศร้าเห่าอยู่ทั้งวันมันก็ได้จริงเขาจังนั่นแหละทำมันทํากันจริงอ่ะแต่ดูไม่เป็นท่าแล้วแหละจึงปล่อยตามเรื่องอของมันมันเฝ้าองผืนเห่าอย่างนี้ว่ากระแตวิ่งออกไปนี่มันยกมาหมดทั้งโค ต, โตรเลยปวดมันก็ไล่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงไม่สนใจเขาไลยปล่อยทำภาษามันถือเป็นงานของมันถ้าได้เพลินกับจับแล้วเอาอยาี่นั่นอ่ะว๊อกว๊อมันเฝ้าอยู่นั่นแหะ จริงจังนนะนึกว่ามันจะไม่ทําใหม่เวลากับสันนี้โถมันจะเล่นนะจริงจริงเาจังมากเลยนี่ไม่เคยถูกเทียเท่ยนถูกตีแต่านายกอะไรมาเลยไม่รู้ดุด่าก็ไม่รู้ปูนี่รู้แล้วเคยเขียนจับไก่มาหวัวจะตาหน้าไก่เลยนั่นมามันไล่ไงไก่เห็นมันไล่ไก่ไหม ใครเห็นไหมปุยอะไม่เห็นเลยไม่เห็นตอนผมมาอยู่มันไล่ไหมฮใครเห็นไหมฮึปุยมันไล่ไก่ไหมมันวิ่งกันไปนนนมันั่งกัวิ่งกันไปนั่นไอไก่นะ้มันคงจะหมาะของมันภาษามานันกรมารูกนะเอือมันวิ่งกันไป เั้ไล่มันไปเขาไปเอาไก่อีมะเนาะมาเนี่มันจับไก่ออกมาแล้วอ่าทไมล่ะมันคงสีขาหักแล้วนี่มันหมอนี่หัน แ, แล้ว จ, จับออกมาหน่อยเพราะมึงผมก็บอเขาใจเพราว่าปล่อยมยิงปุ๊บเลยมันกลัวปุ๋ยเฉยเพราะเดียวปุยกัยยๆๆดีถูกไหมเดียวเพราะไก่ตอน น, นนั้นบางย่างร้องแยงแย้ไเ่อีอ่ะแต่นั้นมาเส็บ รู้รู้ไม่เดียวเลยมีปุ๋ยเอละอ่ะเลือกกันล